ในยุครัตนโกสินนี้แม้ว่ามีสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วหลายพระองค์แต่ที่ได้รับพระราชทานนามตามพระสุพรรณบัตรว่ายานสังวรนั้นมีอยู่เพียงสองพระองค์เท่านั้นพระองค์แรกคือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทือนซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมอันประเสริฐยิ่งในพระพุทธศาสนาทรงอภินญาและอิทธิปาฏิหาร เป็นที่เรื่องชื่อลือชาแห่งยุครัตนโกสินทร์พระองค์ที่สองคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับพระราชทานนามตามที่จาลึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถ้าจะนับเนื่องในเรื่องทรงอภิญญาทรงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นที่ประจักษ์แล้วก็กล่าวได้ว่า ในยุครัตนโกสิ น, นี้มีพระสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะเพียงสามรูปเท่านั้นนั่นคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เทอนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีและสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒนะมหาเทระองค์ปัจจุบัน พระคุณของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนและสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนั้นเป็นที่รู้ประจักษ์โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำอีกและในโอกาสนี้ย่อมสมควรกล่าวถึงพระคุณประการนี้ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒนะมหาเทระเป็นสาคัญที่มาของคำว่าญาณสังวร น, นั้นมาจากความสํารวม หรือความสํารวมในสามระดับตามภูมิธรรมในพระพุทธศาสนาคือศีลสังวร อ, อินทร์สังวรและญาณสังวรศีลสังวรได้แก่การสํารวมหรือสํารวมในศีลโดยศีลที่ว่านี้หมายถึงศีลสองชนิดคือศีลซึ่งมีลักษณะเป็นพระวินัยตามพระปาติโมกชนิดหนึ่งและศีลจากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นศีลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเพื่อการศึกษาและปฏิบัติ ในการประพฤติปรมาจั์ในพระธรรมวินัยแห่งพระบรมศาสดาโดยตรงได้แก่จุลศีลมัชิมะศีลและมหาสีลเมื่อศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นบาตฐานแห่งสมาธิและปัญญาเพื่อถึงซึ่งความหลุดพ้นหรือนิพพานในที่สุดอินทรีสังวรได้แก่การสำรวมหรือสังวรในอินทรีทั้งปวงโดยเฉพาะ ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีความเป็นปกติไม่วอกแวกวันไหวเมื่อกระทบกับอายตนะภายนอกได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมต่างๆถึงซึ่งความเป็นอุเบกขายานสังวรได้แก่การสำรวมหรือสังวรในยานซึ่งครอบคลุมถึงรูปประชาน และอรูปฌานขึ้นไปจนถึงยานทั้งสอันเป็นสุดยอดสามวิชาในพระพุทธศาสนาคือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูป ป, ป, ปาตายานและอาสวะขยัยานพระนามญาณสังวรของสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองพระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีที่มาจากคําว่าญาณสังวรและความหมายของญาณสังวร อันเป็นภูมิธรรมขั้นสูงและสูงที่สุดในพระพุทธศาสนานั่นเองศีล ส, สังวรอินทร์สังวรและญาณสังวรเมื่อบริบูรณ์แล้วพระตถาคตเจ้าทรงตรัสรับรองว่าสามารถกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้นานาประการอันสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เจริญสุวัฒนามหาเทระทรงอิทธิปาฏิหารหลายประการทั้งอนุสาสนีปาฏิหารและอิทธิปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารในการเทศนาอบรมสั่งสอนเวเนยศัตว์ให้รู้ให้เข้าใจและสามารถน้อมนำพระธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมได้ สมเด็จพระยาณสังวรทรงพระคุณอันเประเสริรฐในด้านอนุศาสนีปาฏิหารเป็นที่ไว้วางพระราชาลึ้ไทยมาแต่ครั้งสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีที่โปรดให้ทรงนิพนธ์คำสอนหลากหลายเรื่องเพื่อเป็นคู่มือการศึกษาและปฏิบัติของชาวพุทธอันมีประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ในปัจจุบันอิทธิปาฏิหาร คือการกระทําความมหัศจรรย์เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ธรรมดาซึ่งในประการนี้คนจํานวนมากอาจไม่รู้หรือไม่ทราบกระทั่งเข้าใจว่าทรงเป็นแค่พระสงฆ์ธรรมดาที่ปฏิบัติธรรมวินัยไปตามปกติแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันทรงอิทธิปฏิหารตามภูมิธรรมอันประเสริฐสูงที่พระองค์ทรงบรรลุแล้ว และเคยมีผู้เห็นประจักษ์หลายครั้งดังที่จะยกมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งเมื่อครั้งที่ยังมีสงครามระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้นิมนต์พระมหาเทระทางภาคอีสานหลายรูปซึ่งเป็นพระป่าไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง แต่มีภูมิธรรมขั้นสูงด้วยการคมนาคมและการสื่อสารในสมัยนั้นตลอดจนอุปสรรคในด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อนิมนต์พระมหาเทระเหล่านั้นได้พลตรีอมรอรัตน์จินตกานนท์นายทหารราชองครักษ์ได้รับมอบหมายให้เปดทูนสมเด็จพระยาณสังวรซึ่งขณะนั้นยังคงมีสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสพลขอให้ช่วยนิมนต์แทน หลังจากรออยู่ครู่หนึ่งก็ได้รับคำตอบว่าได้นิมนต์เรียบร้อยแล้วให้ทางสำนักพระราชวังจัดรถไปรับณนะที่นัดหมายตามวันเวลาที่กำหนดปรากฏว่าการติดต่อนิมนต์ครั้งนั้นไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆเลยแต่เป็นการติดต่อนิมนต์ด้วยโทรจิตซึ่งเป็นการกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา เรื่องที่สองเมื่อรวม20ปีที่ผ่านมาครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรสมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะที่ทรงภูมิทรรมขั้นสูงรวมสี่รูปได้เข้าไปเฝ้าและเจริญสมาธิจิตกระทำสัตยาธิฐานให้ทรงหายประชวรก็ทรงหายประชวรโดยพลันเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง เรื่องที่สามเหตุการณ์ตอนที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวรหนักจนเป็นที่คาดหมายว่าอาจถึงสิ้นพระชนทั้งพระละโยมเมื่อได้ทราบข่าวต่างพากันร่ำไห้อาลัยตามกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏได้เสด็จไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจุฬาภรครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชว่าอย่าเพิ่งดักขันขอให้ทรงพระชนต่อไปเพื่อช่วยพระองค์ท่านขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชแม้ทรงประชวนหนักแต่ยังทรงมีพระสติมั่นได้ยินกระแสพระราชดำรัสแล้วทรงพยักหน้ารับอาราธนาหลังจากนั้นทรงเจริญอิทธิบาทตามที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอนพระอาการประชวนหนักก็คลายลงและทรงพระชนชีพต่อมา จนสุริอายุหนึ่งร้อยปีเป็นที่อัศจรรย์เป็นเหตุการณ์อย่างเดียวกันกันกบเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้แพทย์หลวงไปอาราธนาเจ้าคุณพุทธทาตสเมื่อครั้งที่ป่วยหนักมีอาการหัวใจวายเส้นเลือดหัวใจตีบความดันสูงถึง300้อและน้ำท่วมปอดท่านเจ้าคุณพุทธทาสรับอาราธนาแล้วก็เจริญอิทธิบาทกจาจัดอาการป่วยจนหายเป็นปกติ กระทั่งถึงเวลาประกาศปลงอายุสังขารในเวลาต่อมาหมายเหตุผู้อ่านขออธิบายเสริมเรื่องนี้นะครับหลายคนคิดว่าเรื่องของพลังทางจิตเป็นเรื่องงมงายแต่ปัจจุบันหลายชาติทั่วโลกได้พิสูจน์และทดลองมาหลายรูปแบบติดต่อกันมาหลายปีจนเป็นที่ปรากฏระดับหนึ่งแล้วนะครับว่า เมื่อเราคิดพูดทําจะเกิดกระแสจิตหรือเป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งที่วัดผลได้ทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบง่ายๆกระแสความคิดเป็นคลื่นพลังงานคล้ายกับคลื่นวิทยุที่แม้เราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็สามารถส่งต่อและแปลเป็นเสียงในเครื่องรับวิทยุอีกเครื่องหนึ่งได้ทดสอบด้วยตัวเองง่ายๆกับพลังทางจิตที่เราทุกคนก็สัมผัสได้นะครับเช่นเวลาที่เราถูกใครแอบมอง แม้เราจะไม่ได้หันไปมองแต่เราจะรู้สึกเหมือนมีใครมองเมื่อหันไปมองจึงเห็นว่ามีคนแอบมองอยู่จริงๆนั่นก็คือคลื่นพลังจิตแบบหนึ่งที่มากระทบกับคลื่นพลังงานของเราอีกแบบหนึ่งก็เช่นเมื่อเราไปนั่งใกล้คนที่กําลังมีความสุขเราจะรู้สึกมีความสุขหรือสบายใจไปด้วยแต่เมื่อเราไปนั่งใกล้กับคนที่กําลังเครียดมีความทุกข์แม้เขาจะไม่บอกอะไรเราแต่เราจะรู้สึกได้ว่าเราจะหงุดหงิดเครียดหรือไม่สบายใจไปด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์กําลังพิสูจน์ได้เรื่อยๆนะครับมีงานทดลองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเช่นการทดลองเรื่องความรู้สึกทางจิตที่แผ่ออกไปแล้วมีผลต่อโมเลกุลน้ําทําให้โมเลกุลของน้ําเปลี่ยนไปตามความรู้สึกและอารมณ์ของแต่ละคนได้จริงและแม้แต่การเพาะปลูกต้นไม้กระแสจิตที่ดีเช่นคําชมก็ส่งให้อัตราการงอกและการเจริญเติบโตดีขึ้นต่างกับการด่าหรือกระแสพลังงานลบ ที่ส่งไปให้กับต้นไม้ซึ่งจะพบว่าอัตราการงอกต่ำและไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับสําหรับหลายสิ่งที่หลายคนยังไม่ได้พบยังไม่ได้เห็นก็อย่ารีบด่วนปฏิเสธว่าไม่มีจริงนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงจะไม่ปฏิเสธอะไรตราบใดที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจริงแต่เขาจะแค่บอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นซึ่งในเรื่องของกระแสจิตปัจจุบัน วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วมากมายหลายแงยม่มุมดังนั้นใครที่ไม่เคยศึกษาก็ควรจะศึกษาหาความรู้หาข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่เอาแต่ความเชื่อของตนเองว่าฉันไม่เห็นต้องไม่มีซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่พึงมีในบัณฑิตซึ่งคนฉลาดจริงเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะครับ อยากยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้อ่านสักเรื่องหนึ่งนะครับ <_ d ata> เกี่ยวกับกระแสะพลังจิตมีผลจริงหลายปีมาแล้วที่ผมผู้อา่านหรือโจโฉได้ออกปัญยายธรรมะในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ทางจิตและก็มีการประยุกต์การสอนสมาธิแบบง่ายเพื่อเด็กและเยาวชนและคนทั่วไปโดยใช้เป็นวิธีทําสมาธิดอกไม้ใช้ดอกไม้เป็นสื่อซึ่งปรากฏว่าได้ผลและทําให้คนทั่วไปและเยาวชนสามารถทําสมาธิได้ง่ายขึ้น ในคอร์สหนึ่งที่เปิดอบรมนะครับก่อนจบบรรยายจะมีการให้ฝึกทำสมาธิในรูปแบบนี้ซึ่งปรากฏว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำตามและส่งพลังความรู้สึกใช้ดอกไม้เป็นนิมิตส่งไปให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลเมื่อจบการบรรยายก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเวลาประมาณหโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่พวกเราทาสมาธิส่งไปให้นะครับผู้ป่วยบอกเองว่า อยู่ดีๆก็รู้สึกสบายตัวอย่างบอกไม่ถูกอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก็บรรเทาลงได้อย่างไม่น่าเชื่อและอีกรายหนึ่งคุณแม่ซึ่งจมูกมีปัญหาและไม่ค่อยได้รับกลิ่นอะไรมานานมากแต่ขณะที่ลูกสาวทําสมาธิใช้ดอกไม้เป็นนิมิตส่งกระแสจิตไปให้นั้นปรากฏว่าอยู่ดีๆคุณแม่ได้กลิ่นดอกไม้ชัดมากนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยที่อยากเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกมาก ทั้งการทดลองระดับโลกและการทดลองที่สามารถทําได้ด้วยตนเองทุกเวลาที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังทางจิตมีจริงเป็นคลื่นพลังงานแบบหนึ่งไม่ใช่เรื่องงมงายหรือไสยศาสตร์แต่อย่างใดนะครับและทุกวันนี้พลังจิตก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนและเราก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับยกตัวอย่างเช่นใจที่ดีใจที่สบายจะส่งให้มีความสุขคนที่อยู่ใกล้คนมีความสุข ก็จะมีความสุขไปด้วยดังนั้นคนที่มีพลังจิตที่ดีมีพลังแห่งความสุขอยู่ในใจเมื่อไปไหนใครเห็นใครก็จะมีความสุขการค้าขายติดต่อก็จะง่ายขึ้นจะเป็นที่รักที่เอ็นดูของคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นเมื่อใครเห็นใครก็เมตตาทำให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและในชีวิตได้โดยง่ายอันนี้ก็เป็นผลที่เห็นได้ชัดจากเรื่องของพลังจิตและพลังจิต จะดีได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกจิตฝึกกระแสจิตให้มีเมตตาให้มีความสงบและเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนจะมีจิตเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อทำความดีเป็นประจำเท่านั้นในทางการแพทย์การทำความดีทำจิตสงบจะช่วยให้สมองหลั่งสารเคมีดีๆออกมาทำให้ร่างกายสุขภาพดีอีกด้วยซึ่งตรงกันข้ามกับคนชั่วคนทำไม่ดี หรือคนคิดไม่ดีมีความเครียดสูงร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีไม่ดีออกมาทาร้ายตัวเองทำให้เกิดโรคมากมายนะครับทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่หลายคนไม่ยอมศึกษาก็ไม่ยอมเชื่อและมองเป็นสิ่งงมงายไปทั้งหมดไม่ควรปิดกั้นตัวเองนะครับในยุคปัจจุบันเรามีข้อมูลให้ศึกษามีการทดลองให้เห็นมากมาย ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่สามารถรับรู้ได้หากว่าเรายังไม่ปฏิบัติถึงจุดดังนั้นจึงไม่ควรมองเรื่องศาสนาเป็นแค่ความเชื่อหรือความงมงายแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุผลและสามารถพิสูจน์ได้เพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะพิสูจน์เรื่องของนามธรรมาได้ละเอียดพอเท่านั้นเองนะครับ